12. จิตบลุธรรมของเขาเองวงเล็บเปิดยี่สิบมกราคมสองพันห้ารอยห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีเจ็ดวงเล็บปิดหลวงพ่อแต่ก่อนก็อยากได้มรรคผลนิพพานนะไปภาวนาอยู่วัดวังนำหมอกตอนเช้าเช้าเไปในโรงครัวเขาเห็นมีตู้หนังสือเก่าๆอยู่อันหนึ่งขี้ฝุ่นท่วมเลยไปเปิดดูมีหนังสือของอาจารย์มหาบัวชื่อ เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมเอามานั่งดูภาวนานานาแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยนะเลยเอานังสือมานั่งดูเล่นอ่านไปไม่กี่หน้าใจมันสอนขึ้นมาว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเข้าบรรลุของเขาเองแต่อยู่ๆจิตจะบรรลุของเขาเองได้ไหมไม่ได้ถ้าอยู่ๆจิตบรรลุได้เองนะจิตหมาจิตแมวก็นิพพานหมดแล้วนะเราต้องมีการเรียนรู้ลงมาในกายในใจนะ เบื้องต้นมีศีลไว้มีความตั้งมั่นของจิตใจจดจ่อในการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไม่ละเลยไม่หลงลืมเพราะจิตรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจิตมันบรรลุมรรคผลนิพพานเองไม่มีใครทำให้ได้นะมรรคผลนิพพานอย่างที่พยายามทำนี่มันก็ทำไม่ได้หรอกยังทำอยู่ดูออกไหมให้รู้ทันลงไปนะภาวนาจิตมันไม่ได้ต้องการพ้นทุกมันต้องการความรู้ไม่ได้ต้องการปัญญาด้วยนะ ความรู้กับปัญญาคนละอันกันนะมันต้องการความรู้เพราะฉะนั้นเรียนเรียนไปภาวนาไปพอไปเข้าใจตรงนี้แล้วรู้แล้วเดินต่อไปจะเข้ามรรคผลนิพพานได้มันจะถอยแล้วถอยแล้วมาหาเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งหาใหม่หาไปนะเจอทางนี้ไปได้แล้วพอไปได้สักนิดนิดหน่อยๆน่อยนะพอรู้ทิศรู้ทางแล้วก็เลิกแล้วถอยกลับใหม่จิตมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่เฉพาะคนเดียวนะมีเพื่อนด้วย จิตนะบังคับมันไม่ได้ถ้ารู้ทันมันก็พามันเรียนรู้ไปจนมันเห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แล้วมันถึงจะเข็ดขยาดมันไม่เอาแล้วความรู้ไม่รู้จะเอาทำไหมมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นทุกข์นะถึงจะเห็นธรรมใจถึงจะยอมเข้าสู่ธรรม